ขอความสุขความเจริญจะงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงพระพุทธญาณได้นำเสนอการดำเนินชีวิตของเจ้าชาจิตตธรรมมาถึงจุดที่ได้พเบเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายซึ่งได เ, นเนในท้ยทรงมองสังสารวัฏ ในรูปที่เป็นวงกลมหาทางออกไม่ได้เพราะสงสาวกระบวนการแก่เจ็บตายเนี่ยว่ามาจากความเกิดแต่ว่ความเกิดมาจากอะไรเนี่ยยังไม่สงสาบในขนาดนั้นเพระสสาะมองเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมันก็หมุนเป็นวงกลมชีวิตก็เลสั้งซ้ำักซัเกิดแล้วเกิดอีก แล้วก็เป็นทุกข์แล้วทุกข์อีกเดืดร้อนแล้วเดืร้อนอีกขึ่งขึ้นลงลง่อในที่สุดเนี่ยก็มาเจอกับภาพของสมณะก็ทำเห็นว่าถ้าต้องการจะช่วยตัวเองให้หลุดรอดจากสังสารทุกข์มันก็ต้องอาศัยรูปแบบของความเป็นสมณะ ต่วัาก่อนก็ได้กล่าวถึงการมองโลกตามโครงสร้างของธรรมุเทศเป็นการแสดงถึงชีวิตที่อยู่ในกระบวนการเลื่อนไหลสัญชาติกล่าวว่าโลกคือหมูสัตว์เป็นกระบวนการเลื่อนไหลไม่คงที่ไม่ยั่งยืนโลกคือหมูสัตว์ เอาขึจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของของตนจะต้องทอดทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกคือมูสัตว์ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนแต่ว่าตกอยู่ในกระบวนการของเหตุปัจจัยนี่ก็คือการสะท้อนภาพลักษณ์ของคือแก่เจ็บตายแล้วจากช่วง เกิดถึงช่วงตายเนี่มันจะมีปัญหาสารพัดบังเกิดขึ้นที่สรุปรวมว่าทุกคํวมาทุกนั้นก็คือทนอยู่ไม่ได้หรือทนอยู่แต่ยากหรือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือแปรเปล่นหรือร่ารอนรังกรของความทุกข์ก็เป็นเรื่องโดยเฉ่าะยิ่งคือทุกขเวทนานี่ก็เห็นกันชัดเจนแต่ว่า ในพระบาลีที่เล่าถึงเทวดาบรรดาออกมาเป็นเทวทูตทั้งสี่นี่ทั้งศด์ทั้งศีลนะครับก็แสดงให้เห็นว่าภาพของพิกษุซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่านะักบวชประเภทภิษุเนี่ยในสมัยพุทธกาลมีจริงหรือเปล่าเพราะถ้ามีจริงเราน่าจะเจอบ้า ง, งนะแต่เราเจอว่าพิกษุก็มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเอง นักบวชประเภทดาบดอาเจลกพวกช ด, ดินพวกวันประรัตพวกอิครนพวกอะไรแต่ออไรมากมายกั่กล่องเราไม่เจอภิกษุมันเป็นไปได้ไหมว่าภาพของพิกษุนี่คือเทวดานี่มีจริงการนุ่งห่มจีวระ อ, อะไรเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ใหม่ที่ไม่มีอยู่ก่อนคือไม่มีให้เห็นในสมัยนั้น ผนการบวชมันก็ยึดแบบของเทวทูตไม่ใช่ไปยึดแบบของนักบวชที่มีอยู่ก่อนเพอาะต้ามีอยู่ก่อนหมายความว่าพวกปัญญาเกเข้ามาบวชเนี่ยบว่ต้องมีกลุ่มอื่นมันก็เหมือนกับพระสารีบุตรทำมาบวชก็มีพวกปริพาชอกอยู่เต็มปกเสดินเข้ามาบวกก็ยังมีเสด็จอยู่แต่ว่าพอภิกษุมาบวชทําไมเราจึงไม่เจอภิกษุแล้วก็ พปรภิกษุนี่ถ้ามีก็เรียกว่าเป็นกรรมวาทีคือยอมรับกฎเกณฑของกรรมก็แสดงว่ามีความเห็นเสมอกับพวกเรามันก็น่าจะไปมาหาสู่กันได้แต่ปรากฏว่าไม่มีพอมามองจากจุดนี้ก็ทําให้เห็นว่าที่ท่านบอกว่าเทวดานิรมิตนี่ยก็น่าจะจริงเพราะอะไรเพราะมัน เจ็บสาหัสมากแล้วแก่แก่จริงๆเลยนะไอ้แก่จริงๆนี่เจ้าชายไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าข้อบกปิดไว้คือไม่ให้เห็นแล้วก็ตายขึ้นอืดพองเนี่ยก็ยากที่จะเห็นน ะ, ระเรื่องนบาเรื่องเรา่าจะไม่เคยเห็นเลยแต่ถ้ า, าเราเกิดอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่เคยเห็นเช่นว่า การจำเนตศพอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเห็นเกิดทางแกวเกิดกันมานานแล้วแต่นั้นแนวของภิกษุจึงเป็นแนวที่ทรงหาข้อยุติว่างโลกพ่องอยู่เป็นนิจไม่จะอิ่มเป็นธาตุของกันหามันก็เกิดมาจากอาการของคือสะท้อนภาพหเหลานี้จากอาการของอีกาจ่แย่งชิดเนื้อกัน แล้ก็สุนัขที่แยกจินเดิดกันมันเป็นสัจธรรมที่ยืนยันถึงทุกที่มันมาจากตัณหาแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เรียกชื่อตัณหาเลยครับมันก็กลายเป็นแวงที่กระตุ้นเตือนให้ทรงคิดทาทางออกว่าต้องอาศัยรูปแบบของภิกษุนี่ไปก่อน เราจะหาอย่างไงจะเจอที่ไหนจะเรียนในสำนักใครนะี่ยังไม่รู้แต่ว่าเชื่อมั่นนะเพราว่าเชื่อมัน่นจากทฤษฎีธรรมชาติว่ามีร้อนก็มีเย็ยนแก้มีมืดก็มีสว่างแก้มีทุกข์ก็มีสุขแก้มันกลางคืนก็เป็นกลางวันแก้วันมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดแก้ทีนี้ถ้าไม่เกิดมันก็ต้องเลิกพูดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายนะเพราะไม่มีอะไรให้แก่ให้เจ็บให้ตาย แล้ววันนี้ไปจวกกับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเหตุการณ์หนึ่งก็คือพระองค์ได้เดินสวนกับท่าหญิงกีสาโคตมีซึ่งต่อมาก็คือเป็นแม่ของพระศรีวิรีแต่หญิงกีสาโคตมีก็เป็นเข้าเจ้าเป็นญาติผู้ใหญ่นะครพอเห็นก็บอกว่า นี่พูดานุ่สาั้าตานิ่พูดถนุ่นนั้นในสติปัณฑนีน่พูดถานู่นาานั้นใารีจัตยังอินทรีย์สปติพ่อแม่คนใดเป็นผู้ชายผู้หญิงคนใดที่เป็นพ่อแม่ของบุรุษปุนี้หรือว่าสตรีใดที่เป็นบัญญาของบุรุษปุนี้ดักเย็นสนิท ก็สรงพอพระไทยที่ได้ยินคำอ น, นิพานคือนิปุตาเนี่ก็หมายถึงนิพานเนีแปลว่า ด, ดับยินก็ทรงถอดสร้อยประสอบเป็นรางวัลให้เราขอพระไทยที่ให้ได้ยินคําซึ่งไม่เคยได้ยินวนคําเหล่านี้บางทีเนี่ยมันได้ยินได้ยาก ะจนันพระนีรเทละของเราบางรูปเจันพระอนุรุตเนี่ยท่านไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีพอได้ยินก็เลยเกิดเรื่องเลยเกิด ค, ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของท่านเพราะว่าคําว่าไม่มีท่านไปเข้าใจว่าขนมมันชื่อว่าไม่มีเด็กก็บอกแม่ว่าเอาขนมนไม่มีนั่นแหละแม่ก็บอกโอร้จะพูดกับลูกยังไงก็เลยเอาถาด เปล่าๆ เ, เนี่ยเอาผ้าคลุมส่งให้คนเอาไปให้เพื่ออกลูกว่าไม่มีก็คือไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในถาดแต่เนื่องจากเป็นแรงอธิษฐานของท่านที่เกิดขึ้นจากการให้ถานในสมัยเป็นคนตัดหญ้าเฉยๆก็เทวดาซึ่งทาบุญร่วมกันมาก็บรรดาไม่เกิดอาหารทิพย์อยู่ในถาดขนมเป็นทิพย์อยู่ในถาด พอเปิดขึ้นมาก็กลิ่นหอมกระจงกระจรได้นนตายไปเลยก็กินแล้วก็รู้สึกแผลชัานไปทั่วสร่างกายมีกำะมังมีรุนแรงขึ้นเป็นพิเศษไปสอบถามแม่ว่าเมื่อก่อนนี้แม่ไม่รักเขาหรือเป็นยังไงจึงไม่ให้ขนมที่เชื่อว่าไม่มีกิน แม่ก็สงสัยสอบถามคนใช้เขาก็เล่าใฟังก็บอกโ อ, โอ้ลูกเรามีบุญพอเสร็จแล้วถเธอต้องการจะ ก, กินขนมก็ทำอย่างนั้นทุกทีขนมเทปก็เกิดขึ้นต้นคำหรากคำว่า น, นิบุตาเนี่ยเป็นคำหมายถึงการดับเย็นสนิทก็ทำให้เรามองเห็นหนึ่งหนึ่งว่าคำว่า น, นิพาเนี่ยเป็นภาษาสมมตนะินะนิพาเนี่ยเป็นภาษาสมมติเรียก แล้วก็นิยามความหมายเอาว่าตรงเนี้ยหมายความว่าอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็ยังใช้ในความหมายอื่นอย่างเช่นไฟดับเนี่ยก็เรียกไฟนิพพานแล้วขนมร้อนๆ อ, อาหารร้อนๆเนี่ยยังไม่พร้อมจะรับประทานร้อนอุ่นหน่อยหนึ่งแล้วเอาขนมนิพพานแล้วก็กินได้เพราะคำว่านิพพานเนี่ยเป็นคํากิริยาก็มีเป็นนามก็มีนะ ก็ออกเสียงแตกต่างกันแต่ก็หมายถึงดับเย็นบางทีก็ดับเย็นสนิทเลยพวกเราใช้มาในแนวข้องการดับกิเลสเพราะว่าความทุกข์มันเกิดมาจากกิเลสที่ทรงแสดงว่าโลกที่ท่านแสดงว่าโลกคือมูสัตว์อันชารานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนโลก ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของคนตนจะต้องละทิ้งสิ่งต่างๆไปนั่นคือสภาวะธรรมชาติซึ่งมันเป็นทุกข์สัตย์แต่ถามว่าปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดเกิดขึ้นมาจากความปรารถนาที่เรียกว่าตัณหาอาจารบอกว่าโลกพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าก้อตันหา ผลจากจุดตรงนี้ก็ทำให้น้ำพระทัยนีน่หนักไปในทางที่จะเสด็จออกประนวดมากยิงขึ้นแล้วก็ปรีกพระองค์ออกไปอยู่ที่อุทยานนมากขึ้นคนอื่นก็เฝ้าอยู่ในที่ไกลๆนะเป็นการรักษาอยู่ในที่ไกลๆต่อมาพระนางยโสธราหรือพิมพาก็ระสู่พระราชโอรสตอนนั้นไม่อยู่ในวังนะก็เสด็จอยู่ในป่าในอุทยาน คนก็ไปรกราตุ้นให้สงสารก็ส่งอุทานขึ้นมามันทำนองว่าอุปสรรคมันเกิดแล้วแต่ไม่ได้ตัดใจบวชตอนนี้ก็บวชไม่ได้ก็ส่งเปล่งอุทานว่าราหุลังชาตังบันทนังชาตังแปรบวงได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วแล้วมันรู้ฤทธิ์ของความรักต่อลกูก ซึ่งพอได้ยินปั๊บเนี่ยได้ยินว่ามีพระจู ร, รสูตรความรักมันเกิดขึ้นแผ่สั้นไปทั่วพระืทศไทยเขียนว่าถ้าเสด็จไปดูลูกเนี่ยคนยากที่จะตัดใจได้ก็เลยไม่ยอมเสด็จเข้าไปตัดสินประไทยน ะ, ค, ะคือนี่ต้องไปแต่ขือนอยู่ก็อยู่ไม่ได้คือปัญหาการมองตรงนี้เราพบคำถามมาจะมา ต, ามตอบคาถามมา ประมาณสามสิบปีนะที่ตอบมากจะมีคำถามอย่างนี้คือโจมตีพระพุทธเจ้าใจแคบแค่ทิ้งลูกทิ้งเมียเอาไว้ให้ลำบากคือไม่รู้ใครลำบากลูกเมียนี่ก็อยู่ในวังนะะมีคนรับใช้ดูแลสนองงานตลอดแต่ว่าเจ้าชายเทวทานั้นไปทุกทรมานอยู่ในป่าคือเป็นเกือบตายมันไปแสวงหาทางออกให้แก โลกไม่ใช่าทางออกในส่วนพระองค์ทีน่นี้ประตัดศิลปไทยตรงนี้เ้าเรียกว่ามหาพินศษฐสกลเป็นการออกเพื่อคุณที่ยิ่งใหญ่กว่ามันก็เกิดขึ้นจากการมองแล้วก็เทียบเคียงตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะการตัดสินแยกทางแยกแก่แก่ชีวิตตัวเองเนี่ยข้อที่ไม่ควรลืมก็คือพระโพธิสัตว์นั้นมีกติเป็นสอง ขุกนก็ทำนายเอาไว้แล้วก็ตรงตามมหาปริศาลักษณะพระตะครองกาลาวาดนั้นจะได้เป็นพระเ จ, าจา้าจักรพรรดิราชมีมาสมุทรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตซึ่งก็จริงๆเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเป็นพระเจา้าจักรพรรดิเนี่ยในช่วงตอนนั้นมันก็มีอยู่เฉพาะคุมทองสี่ทิศกับตัวพระองค์เองแต่ว่าไอ้ขุนพลแก้วนางแก้วม้าแก้วอะไรอะไรนี่ยังยังยังไม่ได้มานะ หรือถ้ามาแล้วเนี่ยจึงจะเป็นประชาจากักรพรรดิตอนนั้นมันค่อนข้างชักกัเยอะกันนะเราจะเห็นว่าพระไทยส่วนหนึ่งก็ถูกดึงเข้าหาพระโอรสพระไทยส่วนหนึ่งก็ดึงเข้าไปถึงความรู้สึกนึกคิดของพระราชบิดาประชาชนผู้บริมงสารวง์ที่คาดหวังจะพึ่งพาอาศัยพระองค์ในฐานะพระเจ้าจากักรพรรดิและที่จริงสมบัติจกักรพรรดิก็น่าจะพิรุ์ยินดีเหมือนกัน ถ้าหากว่าสามัญจนคิดยังไม่มีใครก็เอาเป็นออกบวชหรอกเขาก็ต้องเอาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่รู้แต่เจ้าท่านไม่ใช่สามัญคือคิดแต่สามัญไม่ได้ดังนั้นพอตกกลางคืนเนี่ยก็เสด็จเข้าไปในวังแต่ตอนคนก็หลับหมดแล้วนะเพราะนนก็ไปดูพักเจ้าชายราคุณแล้วก็ พนางพิมพายโสธราแต่ว่าไอ้แรงบันดาลใจเนี่ยคือมันมีส่วนในการผลักดันเกิดขึ้นก็คือเห็นสาวสัรกบนันในทั้งหลายนอนอาการวิปริ์ผิดแปลกไปตามปกติถูกแล้วดารดาษดเกลื่อนกระดาดาษดาเหมือนกระซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าเนี่ยมันกลายเป็นแรงเสริมผรักดันไอ้ห็นด้วยว่า โรงก็ตกอยู่ในถาำกลางซากศพแล้วก็ต่อไปร่างกายนี้ก็จะเป็นซากศพไปก็ทำให้นึกถึงความคิดของนกแขกเต่านะชื่อว่าพุทธ ร, รักคิดแต่เราเานื้แขกเต่าตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ในสมนักของพิสุนีพุณีสอนให้เจริญอธิกะสัญญากำหนดร่างกายเป็นร่างกระดูกก็กรรมาฐานแบบกายานุปษษัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจนในที่สุดที่เธอเห็นจริง แต่ร่างกายเป็นกองกระดูกไม่มีสาระแกลนสารอะไรที่ควรจะชื่นชมยินดีแล้วก็ต่อมาถือโทษเยี่ยวเฉียวเฉียวไปแต่แม่ไดร้รีก็ไล่เหี่ยวเพื่อให้ปล่อยเรแต่ในสุดก็ปล่อยนะแล้วก็พูดได้นะพิษุณีก็ถามว่าเวลาพุถุรคิดเวลาเยี่ยวก็เฉียวเธอไปเนเธอคิดยังไงเธอบอกไม่ได้คิดยังไงหรอกก็คือว่า กองกระดูกกะดูงหนึ่งก็มังนํากองกระดูกระดูงหนึ่งไปแล้วจะกตกเรี่รายอยู่ในที่ใดที่หนึง่งมันเหยอะมันก็กองกระดูก่ะท่านเองก็กองกระดูกนกแขกเต่าเองก็กองกระดูกนกองกระดูกตัวหนึง่งก็ใหญ่นํากองกระดูกอรกดองหนึ่งไปเพื่อเป็นอาหารและเสร็จแล้วไอกระดูกมันก็เรีรายอยู่ในสถานที่ตรงนั้นซึ่งเอาก็จริงแล้วเยอะเองมันก็กลับไปคืนเป็นกองกระดูกอีกองหนึ่งก็ไม่ได้ติดใจอะไร ที่การจะมีแรงผักดันขนาดนั้นเนี่ยนันจะต้องอาศัยบารมีธรรมที่เป็นสะสมมาปมเอาไว้ในอดีตชาติคือใ น, ในอดีตชาติพระพุทธศาสนาท่านเคยบำเพ็ญบารมีแล้เคยชาติปัญญาเคยมองเห็นปนัญหาเหล่านี้ก็สะส ม, มอยู่ในจิตสันดางของพระสนดสุดก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าไปปลูกได้ชนะ จะให้เตียม้ากันทะกะเอาไว้คือเราไปคิดคือการเรียบเรียงเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นผลลัความมันไม่จําเป็นใครั่วเองก็แสดงว่าเตรียมาสองมา้ามันไปสองคนเนี่ยนะแต่มาอีกตัวหนึ่งมันไม่มีความสําคัญนะ่ะมันมีการนําเสนอประวัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาอะไรมาใส่กันรุงรังไปหมด แต่ในที่สุดองคก็เสด็จออกโดยขี่ม้ากันตะกะมีนายชนะก็ตามเสด็จทีนี้ตามเสด็จนี่ตามเสด็จยังไงเราก็เลยอธิบายกันจนนึกภาพไม่ออกว่าเป็นไปได้ยังไงนายชนะก็เกาะหางม้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไนนอ ง, ไ อ, ง, ไไ อ, งไอ่ะคนอะแล้วกาะหางม้าก็เสร็จเลยก็ขี่ม้าไปธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่า ท่านไม่ได้บอกไว้มันไม่จําเป็นจะต้องบอกมันก็รู้กันพระราชวังมาจนเนขนาดปีม้าตัวเดียวจะเลยและการที่มีคนไปไปเกาะหางเอาไว้เรานึกภาพเผืม้ามันจะวิ่งยังไงแล้วก็ไปไม่ได้หรอกออน้ําหนักมันมันสาหัสไปถ้าขึ้นนั่งบนหลังทั้งคู่นี่ยังปลอฟังได้แต่ว่าการแด่เกาะหางไปก็เกินเหตุเกินผลไปทตนี้ก็คือวิธีการบว การบวชจะต้องไม่ลืมว่ามันมีอยู่ก่อนพุทธกาลจะถามมีกี่ร้อยปีกี่พันปีนี่ไม่รู้นะเพราะว่าชาดกเนี่ยไม่ได้บอกไว้แต่ว่าชาดกมันมีการบวชเดยอะเหลือเกินจบลงแม่แต่ตัวประวัติศาสตร์เองก็มักจะจบลงที่การออกบวชแต่บวชตอนชรามากแล้วคนสมัยนั้นเนี่ยเขาแบ่งชีวิตเอาไว้เป็นสี่ช่วงใหญ่ ช่วงหนึ่งก็เรียกพรมจารีคือศึกษาแล่าเรียนศิลปะวิชาการตามสายของสกุลพอทางแนวลึกแนวกว้างก็เจาะลึกลงไปเรื e. ร่อยพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ควรจะมีครอบมีครัวเป็นขวางเป็นขวาได้แล้วต่้งก็ตกแต่งให้มีครอบมีครัวเป็นหลักเป็นฐานตอนนั้นเขาเรียกว่าฤทธิหัดฤทธิ์หัดก็คือผู้ครองเรือนคฤทธิ์หาที่เราเรียกขรือหาทุกวันเนี่ย ก็เรือนอะไรอย่างเงี้ยกับบ้านแต่เราเรียกตอนใหญ่ๆ ใ, ให้เรียกว่าฤาษีหาถ้าเล็กๆ เ, เรายังไม่เรียกว่าฤาษีหาทีนี้พอถึงจุดหนึ่งคือความเชื่อพื้นฐานภูมิหลังของพวกอะไรยันเนี่ยเดี๋ยเขาเชื่อว่าคนเราถ้าหากว่าไม่มีลูกเนี่ยตายแล้วจะตกนรกคพนรกขุมนี้ชื่อว่าปุตตะ เลยเรียกลูกชายว่าบุตรก็แปลว่าผู้ที่ป้องกันพ่อแม่ตกนรกแต่วันนี้เราจะเห็นว่าลูกก็ดึงพ่อไปตกนรกเซะเยอะเหลือเกินเอาติดยาเสพติดบ้างไปโรคเอดบ้างเที่ยวสมัณเฆเทเมาตกเป็นพาดของอภัยมุขในด้านต่างๆอันนี้ก็ดึงพ่อหลงนรกนะพ่อแม่ลวงนรกไปเลยเอนที่จะช่วยป้องกันก็กลับไปผัาากสใส่เสกใส่พอตกนรก เพราะลูกที่ดีเนี่ยมันจึงตามหน้าที่ป้องกอันพอป้องกันความทุกข์ความเดือดร้อนไม่เกิดขึ้นแก่พ่อโดยเฉพาะยิ่งจากการกระทําของตนเองทีนี้พอท่านครองคือท่านก็ต้องครองเรือนนะฮะต้องมีลูกเพอถ้ามีลูกก็กลัวจะตกนรกแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความสนใจใส่ใจในเรื่องาศาสนาในเรื่องสิ่งรรมเขาเจียวไปในป่าแต่ทงที่ต่างๆเขาเรียกว่าบรรณรัด ก็ไปหาพวกฤษีชีไพรไหวแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าไปเทวาลัยต่างๆสนทนากับพวกนักปราชญ์รวทั้งทั้งหลายหาความรู้ความเข้าใจแล้วทีนี้ถ้าหากว่าท่านเกิดพอใจจิตใจในรูปแบบชีวิตอย่างนั้นท่านก็จะออกบวชพอบวชก็แปลว่าสันนิย a s คือเรียกเป็นภาพรวมๆว่าสันนิย a คือจะบวชเป็นนักบวชประเภทไหนก็ไม่รู้กันแล้วแต่ท่าน ว่าแนวการบวชเนี่ยมันก็เป็นแนวที่มีอยู่ก่อนก่อนที่พระยา้จะอุบัติขึ้นสมัยพระพุทธเจ้ามันก็มีนับบวชอย่างน้อยที่สุดมันก็หกขดนะก็เป็นเจ้ารัทีิก็เผยแพร่คาสอนกันอยู่สมัยนั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังวันก่อนปัว น, นาคสะปะมาคคิริโก ส, สารสัญชัยเวรัตบุตรปุกุทธกัจจายนะอจิตเตษกัมพลนครนาบุตรเนี่ย เขาแสดงว่าเนี้ยปวดประเภทต่างๆนี้เยอะจะ้าไปหมดโดยเรียกรุมบวมมาเป็นสันญิย a s คนจะชาทิศก็เลือกวิธีการที่จะออกบวดโดยการหนีจากพระราชาวังในเวลากลางดึกเขาบอกว่าไอ้ประตูอะไ ร, ะรต่างๆเนี่ยมันเปิดขึ้นโดยเทพเ ท, เทวดาบันดานนเทวดามาช่วย เรื่องเหล่านี้เราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะธรรมเทวดาทําไมไม่ช่วยเราบ้างเราก็ไม่ใช่มือระดับพระโทธิสัตว์นะนะถ้าต้องการได้เทวดาช่วยก็ต้องสร้างบารมีให้ระดับใกล้เคียงพระโพธิสัตว์เสียก่อนต้องฟังทั้งหลายแต่รวงปู่โพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี